เสียงอ่านหนังสือเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวเล่ม8ดงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวโหลดเสียงบรรลงเปียนโนมาประกอบขอบคุณคุณรุ่งทิพดวงพยับที่กรุณาส่งต้นฉบับมาให้อัดเสียงต้องขออนุโมทนาทุกท่านไว้นที่นี้ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาคําถามคําตอบจากคอลัมน์ เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวในนิตยสาราบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่ 2,513 จนถึงฉบับที่ 2,526 และพนวกเอาบทส่งท้ายคือจดหมายถึงดังตรินเข้าไว้ด้วยความแตกต่างเป็นเสมือนสิ่งเปิดเผยต่อสายตาเท่าว่ายิ่งเพ่งมองกลับยิ่งมองไม่เห็นเบื้องหลังทุกคนรู้แต่ว่าเกิดมาก็มีความแตกต่างแล้ว ความแตกต่างดำรงอยู่ก่อนที่ใครๆจะเกิดมาและหลังจากที่ใครๆตายดับลงความแตกต่างก็จะไม่หมดไปบางครั้งเราก็เคยชินอยู่กับความแตกต่างจนกระทั่งลืมถามหาเหตุผลของความแตกต่างรู้ว่าแตกต่างแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงแตกต่างทำไมบางคนจึงมีใบหน้าที่เปลี่ยมสุขราวกับอยู่ในสวรรค์ ขณะที่บางคนมีแต่ใบหน้าระทมทุกข์สาหัสราวกับอยู่ในนรกทำไมเด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับแก้มขาวใสและมือกำธนบัตในขณะที่เด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับแก้มดําเปื้อนดินและมือน้อยเลอะโคลนฟังดูเหลวไหลไรเหตุผลเกินกว่าที่เราจะยอมรับ ว่าเป็นต้นต่อของความต่างสุดขั้วขนาดนี้ที่ผ่านมาเราอาจไม่ได้ช่วยกันสืบหาต้นสายปลายเหตุอย่างจริงจังเพราะคนหน้าตาดีมัวแต่เอาเวลาไปหลงตัวส่วนคนหน้าตาแย่มัวแต่พร่ำน้อยใจวาสนาและด้วยความไม่รู้จริงเราก็อาจพร่ำขอบคุณผิดคนหรือกล่าวโทษผิดตัว เพราะนึกไม่ถึงว่าอะไรๆที่เกิดขึ้นและกำลังเป็นไปจะเป็นผลมาจากตัวเราเองที่เคยทำอย่างไม่รู้และต้องรับผลอย่างไม่รู้เวลาที่คุณจ้องมองความแตกต่างเหตุสับพสิ่งคุณเห็นความเหมือนกันประการหนึ่งนั่นคือความเป็นผลที่ไหลามาแต่เหตุเหตุผลที่พืชแตกต่างกัน คือธรรมชาติแห่งเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เป็นตัวจำแนกว่าพืชจะโตขึ้นมาเป็นอย่างไรสีเขียวหรือสีม่วงออกดอกหรือไร้ดอกส่วนเหตุผลที่มนุษย์และสัตว์แตกต่างกันคือธรรมชาติแห่งกรรมกรรมเป็นตัวจำแนกว่าสิ่งมีชีวิตจะหยาบหรือประณีตได้ดีหรือตกยากลาบากหรือสบาย มนุษย์อาจกำหนดเมล็ดพันธุ์ให้พืชตามปรารถนาสุดแท้แต่จะอยากเห็นสีเขียวหรือสีม่วงเช่นเดียวกับที่สามารถกำหนดกรรมอันเป็นเหตุให้ตนหยาบหรือประนีดได้ดีหรือตกยากลำบากหรือสบายโลกนี้มีอยู่ไม่กี่คนที่รู้จริงๆว่าจะเอาตัวให้รอดหรือจะสร้างที่พึ่งให้ตนเองได้นั้นมีใช่การฝากความหวังไว้ที่ใคร ไม่ใช่การศักิ์แต่เชื่อศาสนาตามกันและยิ่งมีใช่การบนบาลสารกล่าวร้องขอเทวดาเทว่าอยู่ที่การสร้างกรรมดีกรรมอันขาวกรรมอันเป็นบุญเพราะด้วยเหตุอันขาวเท่านั้นที่จะให้ผลเป็นความขาวสอดคล้องกันลงชื่อดังตรินกันยายนพุทธศักราช2549